บรรดาท่านเพื่อนชธรรมิกะทั้งหลายและบันดาญญาติโยมมุตรบริษัทสำหรับวันนี้ก่อนที่จะอธิบายการปฏิบัติพระธรรมฐานผมขอนำมาเรื่องที่ผมเคยผ่านการตายมาเล่าแก่ท่านหลายฟังทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นนิทัศนะ ก็เป็นบทตัวอย่างโดยความจริงการเล่าเล่าถึงการเรื่องผ่านการตายมานันนี้ก็ขอได้โปรดอย่างคิดว่าผมอดอ้าง้ดยความจริงมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวนั่นก็คือจะแนะนำารืความรู้สึกที่เคยผ่านมา เพื่อเป็นการศึกษาได้รับทราบว่าอาการที่เราจะตายจะ ม, มีความรู้สึกเป็นยังไงสำหรับวันนี้อยาขอเล่าเรื่องตอนที่ตายคร <c oughs> ั้งที่สี่แต่ความจริงตอนนี้ไม่ได้ตายจริงเป็นแต่เพียง ว, ว่าเตรียมตัวเพื่อจะตายเท่านั้น นี่มาตอนใช้คำว่าเตรียมตัวเพื่อจะตายก็อย่าเพิ่งคิดว่าผมเตรียมตัวเพื่อจะฆ่าตัวตายความจริงมันจะตายของมันเองแต่มันไม่ตายเรื่องตอนนี้ก็มีว่าในสมัยปีพศสองพันห้าร้อยสิบสองตอนนั้นผมไม่อยู่ที่วัดท่าสูงนี้แล้ว เห็นจะเป็นเดือนเมษาและมีนาผมจำไม่ได้แน่ท่านพระครูวิชานทยยคุณวัดปากคอมาคาเท่าได้รับเรื่องสมณรักด์เป็นพระครูฉันเองท่านก็ <c oughs> กมานมนม์ให้ไปในงานของท่านอากาศนร้อนแสนจะร้อนผมมีจุดต่อนอยู่อย่างหนึง่ง นั่นก็คือโรคความดันต่ำสำหรับโรคความดันต่ำนี้เป็นภัยอย่างหนักคือความร้อนถ้าถูกความร้อนหนักๆแรงมันจะหมดไปเฉยๆเพราะฉนั้นาเลือดเลี้ยงสมองไม่พอกำลังก็จะตกไปขณะนั้น ที่วัดทา่าซุงนี้ยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมมาปีสพ2511คือ25มีนาคมปีนั้นก็มาเริ่มจัดทาของเล็กๆ น, น้อยๆขึ้นแล้วก็ทากระท่อมเล็กๆที่โคนโพแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กที่ไม่มีฝาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อไปงานท่านพระครูพิชารละยยคุณ เวลาประมาณบ่ายสองโมงรู้สึกว่าไม่สบายมากเรือว่าความร้อนจัดมีความเปลียยเกิดขึ้นยังได้เดินทางกลับวัดเมื่อเดินทางมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับใครมากอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งที่ชื่อคือพี่วงอยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นเมื่อขึ้นมาถึงที่พัก รู้สึกว่าอาการเสียมีมากขึ้นผมก็นอนในกระสอบหลังเล็กโคนโพที่ไม่มีฝาที่เราเตียงไปวางไว้ที่นั่นหนึ่งเตียงเอาไว้สาหรับรับแขกตอนทางวันเป็นประจำ <c oughs> เสียงพี่ชายผมปันไม้ผมได้ยินแล้วก็นั่งทำอะไรอยู่ผมก็รู้เรื่องอริยแรก แต่แลวว่ามันนอนไปอาการเสียเกิดขึ้นรู้สึกว่าใจไม่หวิวแต่ว่าใจมันติ้นเบาลงสายตาเริ่มสัม่นสมาธิระน้อยระ น, น้อยอาการคราวนี้แปาการที่เดียวกับเว่าคราวตายเราทั้งที่สองเพราะว่าเวลาที่ตายเขาที่สองก็รู้สึกเป็นสภาพที่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นโรคท้องเดิน ด้วยความจริงคราวนี้ไม่ได้เป็นโรคท้องเดินเป็นโรคถูกความร้อนจัดร่ายใส่ความดันโลหิตต่ำเมื่อความร้อนจัดเกิดขึ้นเส้นโลหิตของตัวเลือเดเลี้ยงสมองไม่พอมันก็สิ้นกำลังแต่ผมก็ไม่ได้บอกใครเมื่นนอนไปทั้งร่างกายมันมีสภาพเสียจัดใจระเหียมาก ก็มีความรู้สึกในใจว่าสภาพของร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยมันมีสภาพเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นธาตุมันอยู่เสมอีม่สภาพของร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรยึดถือมาอะไรเป็นสำคัญ ยังมีความรู้สึกในใจว่าแต่เองอยากจะพังก็เชิญพังก็าข้าเป็นทาสเองมานานแล้วฉันดายความชั่วของเจ้าคือขันห้ามันไม่มีความกระตัญญูรู้คุณหมายความว่าตั้งแต่เกิดมาข้าเลี้ยงเองทุกอย่างจะกินอาหารอะไรข้าก็ให้ จะต้องการภาพผ่อนท่านสบายประเภทใดก็หาให้จะมีความปรารถนาอย่างใดก็ให้ทุกอย่างแต่ว่าขันห้าไม่เคยปราณีเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายนี้เราไม่ต้องการแต่ขันห้ามันก็ยัดเยียดให้อยู่ตลอดเวลาเรื่องความร้อนร้อนจากความหิวความกระหายก็พอกดีปรากฏว่าขันห้านี้ยัดเยียดความทุกข์ให้เสมอ <c oughs> เวลานั้นมีความรู้สึกว่าถ้าขันห้ามันทางจะได้แล้วก็จะมีความสุขความรักในขันห้าไม่มีในจิตความห่วงใยในทรัพย์สินทั่งหลายต่างๆไม่มีความรู้สึกในจิตความที่ห่วงใยใครๆทั้งหมดไม่มีความรู้สึก มีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าถ้าคันห้ามันพังเส้นได้เวลานี้เราก็จะมีความสุขเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะได้จากเจาก้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เต็มไปได้วยความเครียดเต็มไปได้วยความอเมตโทษร้ายคือคันห้าเวลานั้นจิตใจไม่ได้หงญ่ อาการมันปรากฏ ต, ต่อมานั่นก็คือสายตามองสั้นเข้ามาทุกทีทุกที <c oughs> แต่ว่าเรื่องทุกขเวทนาในใจไม่มีกายมันจะมีทุกขเวทนาอะไรนั่นไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจหากว่าท่านถามว่าผมเข้าฌานสมาบัติันดับสูงหรือผมก็ตอบว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ทานไม่ใช่สมาบัตดไม่ใช่อะไรทั้งหมดเว้นแต่มีความรู้สึกอย่างเดียวว่าขันห้ามันจะพังก็ดีแล้วเพราะเราเป็นทาตุมันนานถ้ามันพังคราวนี้เรากับมันก็จะขออย่าร้างกันเด็ดขาดจะ <c oughs> ไม่ขอมีขันห้าเพื่อความเป็นทาตมันต่อไป เมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์ใจก็เป็นสุขกําลังมันก็สิ้นไปทีละหน่อยทัละหน่อยสายตามองสั่นเข้ามาทุกทีทุกทีโยคาตั้งพี่ชายผมกำลังปัน่นไม้โขกๆขกถุยไกลความจริงเวลานั้นยินเสียงถนัดผมเริ่มไม่ได้ยินเสียง ตายมองเห็นพี่ชายทำงานดังๆคนนี้สุดก็มองไม่เห็นเข้าห่างอยู่กันประมาณสามเมตรเท่านั้นเขาโทษนั่งอยู่ห่างกันประมาณหกเมตรมันก็ไม่ไกลนักแต่ฟันไม้เสียงดังผมเริ่มไม่ได้ยินแล้วมองไม่เห็นคนนี้สุดสายตามันสั่งเขาาา้ามาจนเท่ามองเห็นช่วงระยะประมาณสองเมตรขึนน้นว่าตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่า มันลึกในใจสำหรับใจไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าคันห้าพังก็ดีเพราะว่าเป็นนายที่ร้ายกาศมากมาช่วงนี้เองเกิดวความรู้สึกว่านี่ความตายหรือการสลายตัวของเจ้าเข้ามาถึงเอ็นประสาทุกส่วนของร่างกายมันจะเริ่มหยุดดีแล้ว ฉันขอลากันหา้าคันห้ากับฉันเลิกกันตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไปเมื่อพังเสีได้ก็ดีเราคอยเวลานี้มานานแล้วพอมีความรู้สึกตนนี้แทนที่สายตามันจะสั่งเข้ามาสายตายกับยาวออกไปมองหิงไกลออกไปเห็นพี่ชายที่กำลังทำงาน ด้ยินเสียงที่แกกำลังฟันไม้มองไกลออกไปทุกขณะจนกระทั่ ง, งเขาเส้นสภาพปกติ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกเสียดายคิดว่าทำไมหนอเจ้าขันห้ามันจึงไม่พังแต่ได้ว่าถ้าเราจะไปทำให้มัมนพังก็เป็นอัตานิบาตก ร, รมเเป็งการไม่สมควรพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษ เมื่อสายตาขยายยาวไปเป็นโกติสภาพเขาอารมณ์จิตใจร่างกายเขาเริ่มมีกำลังเป็นอันว่าความตายยังไม่เข้ามาถึงแต่มันก็กำลังจ้องอยู่เฉพาะแค่เวลาระยะสองเมตรเท่านัา้นเองมันหยุดยืนอยู่ชั่วระยะไม่ถึงสินาทีมันก็ถอยหลังออกไป ว่าสายตายาวไปเป็นโบติและสาสตร์หูฟังเสียงได้เป็นปกติก็มีความรู้สึกว่าเจ้าขันห้าจางไรเองจะสลายตัวทําไมจังไม่สลายเราไม่มีความห่วงใยในเธอเราไม่ต้องการในเธอแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายถ้าว่าองค์สําเร็จไปจอมไตรบระมาศสินดาสัมมาสัมพัทธเจ้า ไม่ทรงห้ามปรามต้องทอําอาตานิบายกรรมเราจะจัดการกับมันตั้งแ่เดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ตอนนี้เราจะพอจะมีความสุขที่ะละขันห้ายู่เต็มไปด้วยความสุขกบกรกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเีตุาการไม่ตรงตัวเป็นแหล่งนำมาสร่งความทุกข์ แต่การจะสิ้นที่ย์จากสายประสายก็กลับเริ่มดีมาย่างเดิมไปที่หน้าเสียดาย <c oughs> ความเสียดายตอนนี้ไม่ใช่เสียดายขันหา้าเสียดายความตายว่ามันน่าจะตายไปเสียเลยมันจะได้เหมาะดีกว่าต่อความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นก็มีความรู้สึกนี้จุดหนึ่ง ตอนนั้นปรากฏดเาเห็นภาพพระลอยมาจากที่สูงในแดงไกลแสงไกลแต่ว่าอยา่างไกลแสงไกลยังไงก็ตามทีก็รู้สึวกว่าเห็นท่านชัดมีฉับพันธร่างสีรักษณกอาการปลากดชัดลอยเลีล้ยวๆลงมาลักษณะที่ลอยลงมาดูมันว่ามา ช, าชา้า เห็นภาพพระก็รู้สึกชื่นใจว่าที่เพิ่งใหญ่ของเราปรากฏแล้วต่อมาระยะประเดี๋ยวเดียวภาพพระนั่นก็ปรากฏเฉพาะหนา้านั้นยืนอยู่ในอาาดสูงขึ้นไปประมาณทักสามสี่วาแต่ก็เห็นชัดมีความสวยสดงดงามเป็นประณีพิเศษ สายสัพพันรางศีก็องสมเด็จพระบรมรโลกเชิดสวยงามมากการขึ้ในใจก็ปรากฏเรื่องร่างกายจะตายหรือไม่ตายตอนนี้ไม่ได้คิดก็คิดว่ามันจะอยู่ก็ช่างมันจะตายก็ช่างเป็นเรื่องของมันเมื่อมันอยู่เราก็ไม่มีความรู้สึกเมื่อมันจะตายเราก็ไม่มีความเสียดาย คำ ว, ว่าไม่รู้สึกหมายความว่ามันจะสุขหรือว่ามันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจกับมันเมื่อมันจะกินก็ให้มันกินมันจะร้อนมันจะอาบน้ำก็เอาน้ำมาอาบให้มันทำงานตามหน้าที่โ <c oughs> ดยการที่ห่วงใยร่างกายนี้ไม่มีสำหรับเรา ก็เห็นภาวะคือพระผองค์สมเด็จตึกสัมมาสัพพุทธจา้าอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันกับท่านว่าเป็นพระผู้ตจ้าจริงๆอาจจะเป็นนิมิต จ, จากนรสติกรรมฐานคนได้เพราะจิตใจของผมนุนสติกรรมฐาน <c oughs> แต่ด้านนี้ก็ขอท่านหลายปโปรดด่ า, าเข้าใจว่าผมไม่ยากกอนว่าตัวผมเป็นพระอรหันต ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหันต์และไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระสงฆ์ชันตามที่เขาเล่าเลยกันตอนนั้นผมมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าขันห้ามันเป็นโทษขันห้ามันเป็นทุกขันห้ามันเป็นศัตรูเพราะว่าองค์สําเร็จพระบรมครูท่านทรงตรัสไว้ยอย่างนั้นอรารม์ใจของผมมันก็ชินชินต่อทุกเวทนาทุกอย่าง การนี้เกิดจากความเหน็ดหนื่อยจากร่างกายก็ดีความลำบากกายก็ดีความลำบากใจจากถ้อยคําที่ไม่เป็นที่น่ารักไม่เป็นที่น่าพอใจก็ดีอารมณ์ใจอย่างนี้มีความเคยชินเมื่อกระทกระทั่งเองแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกรู้สึกเฉยๆซึ่งเชื่อว่านินทาเป็นสองสาถือว่าเป็นโลกธรรมดาเป็นธรรมดาของชาวโลก ความเห็ดเหนื่อยความทุกข์ต่างๆถือว่าเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดมาในโลกต้องรับสภาวะอย่างนี้ไว้กันหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนสอนของสมเด็จพระบรสุขมาตามนั้นก็มีความรูมาาม้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมจะรยยกรความเป็นพระอรหันต์ของผมผมไม่เคยมีความรู้สึก จะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนะไม่สําคัญมีความสําคัญอย่อยางเดียว่าผมกับขันหา้าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูของผมอยู่เสมอแต่ผมก็ไม่เกลียดมันผมก็ไม่รักมันถ้าผมเกลียดมันผมก็ต้องฆ่า ม, มันแต่ฆ่า ม, มันไม่ได้แเราใส่ไม่อยู่เพราะจพ่ชบเรามาครูปรับเป็นโทษกันเลยไม่ทําไม เลยทำใจสบายๆก็คิดว่าถ้าอยู่ก็อยู่ไปถ้าอยาพังก็พังไปไม่เห็นว่าอะไรมันมันจะเป็นยังไงก็เ่าหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนป่วยก็ป่วยเงินก็ช่างช่างมันทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าชีวิตนี้ไม่กี่วันก็สลายเมื่อชีวิตสลายเมื่อไรความสุขใจก็จะปรากฏมานั้น เหมือนกับคนที่กำลังอดน้ำแต่ทราบอยู่ว่าข้างในด้านหน้าโนอนจะมีแม่น้ำใสสะอาดมีน้ำมากจะกินจะอาบได้จิตใจก็มีความสุขันาดใดกำลังใจของผมก็เป็นฉันนั้นในเมื่อสติมปนคืนตัวรูปพระพุทธเจ้าทรงปรากฏอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันหรว่าพระพุทธเจ้าท <c oughs> ่านเสด็จมา เป็นดับเพียงเห็นว่าเป็นนิมิตในเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีกับปันรางสีรัตเมหประการซึ่งเป็นของธรรมดาของบุคคลที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเข้าถึงจุดใจเห็นอยู่ได้เสมอความชื่นใจปรายกดตอนนี้เสียงองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงจัดว่าสมภเกสี ทุกทางร่างกายเท่านี้เธอมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากหรือเมื่อต่อไปบอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่มีความหนักใจอะไรถ้ามีกำลังร่างกายอยู่ก็ทำงานถ้ามันไม่มีกำลังร่างกายก็จะนอนมันไปไม่ไหวถ้าร่างกายมันจะพังก็ไม่ห่วง เห็นท่นานทรงแยมพระโอษ์สวยงามมากและท่านทรงตรัสว่าการตายหรืว่าการทุกข์การที่สวยทุกในร่างกายอันเดียวไม่ความเรู้ว่าชีวิตนี้มันยังมีความทุกข์น้อยกว่าที่เ<ม>จ้าที่จะต้องใช้กฎของกรรมต่อไปว่ากฎของกรรมในอดีตชาตินับเป็นแสงกับ ที่เจ้าทำบากไว้ในฐานะที่เคยเป็นนักรบข้าคนมาแต่ร ช, ชาติรย ช, ชาตินับเป็นแสนชาติเจ้ายังใช่นี่เขาไม่หมดถ้าหากว่าเจ้ามีความห่วงใยในชีวิตจิตของเจ้าไม่พยา ย, มยามหลีกหนีกรรมที่เป็นอกุศล ยังมีห่วงใยในร่างกายของตนและศักดิส์สินและพี่น้องยังสะสมศักษิ์สินยังคิดว่านั่นเป็นเราเป็นพวกเราเจ้ายังจะต้องเกิดอีกกระว่ากายเกิดของเจ้าต้องดูว่าเจ้าจะต้องใช้นี่สิ่งเหล่านี้เมื่อเราสมตัดจบเื็นว่าเขตแดงของวัดท่าตรงเวลานั้น นับตัแต่คลองอยางมาถึงยันทิศเหนือยันยยาชายไผบริเวณวัดเต็มวัดมีหัวคนไม่มีตัวซ้อนกันเต็มบริเวณวัดสูงกว่ายอดโกงสองเท่าอย่างนั้นก็ดินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนิมิตว่านี่คนที่เธอฆ่ามาในอดีตชาติ และก็อยเธอยังไม่ได้ใช้น่กรรมกรรมดีข้าเขาเจ้ายังไม่ได้ใช้นี่เพราะเวลาก่อนจะตายเจ้าก็อาศัยความดีคือกรรมที่เป็สนสลศนได้ บ, บุญนิริยาวัตถุท่องสารบรการหนึ่งทานไม่บุญนิการาจากการให้ทานสองสีไม่บุญเจการานัสาศี สามภาวนาให ม, ม่บุญจาการเจริญภาวนาจิตเป็นชานเวลาที่จะตายพระศัยกำลังใจที่เป็นชานมีรขมขึ้นแข็งนึกถึงความดีสามรยายการร่วมกันเป็นปัจจัยให้เธอไปสู่สวรรค์และพอยู่เสมอฉะนั้นนี่เ ก, ก่าทั้งหมดนี่เจ้าจึงยังไม่ได้ใช่นี่ แต่ถ้าว่าเจ้ามีชีวิตโซนชีวิตนี้ถ้าพลากสร้างลงไปเมื่อไรตายลงไปแล้วต้องไปสู่ใบผุ่มดูชีวิตหน้าที่มีกี่ชีวิตหัวหนึ่งต่อหนึ่งชีวิตเจ้าจะต้องใช้นี่ในบุคคลที่ไม่สามารถจะนับจนวนได้ขอท่านหลายผู้รับฟังลองคิดดูเอาแค่หัวคนวางเรียงกันเต็มบริเวณ ท่านไดคลองอยางจนทึไผ่ด้านเหนือที่จะวาดประกาศวันนี้แล้วมันก็สูงขึ้นไปจนทั้งเรือยอดโค้งถึงสองสามเท่าไม่รู้ประมาณเท่าไรพอได้แจ้งแล้วท่านก็ถามว่ามีความห่วงใยในอะไรบ้างในความรู้สึกเวลานั้นก็กราบทูลว่าไม่มีความห่วงใยอะไรชีวิตเลืดเนื้อ มันจะสลายตัวก็ไม่เคยมีความห่วงญาตินอนทั้งหลายใดๆก็ไม่เคยมีความห่วงรับสินใดๆที่จะห่วงใหยก็ไม่มีที่จะห่วงใ่อีกแล้วพอต่อตรนีก็มีความรู้สึกว่าเหมือนองสมเด็จพระบัณชีตแก้วทรงย้ำพระโอษฐ์แล้วก็ทรงตัดว่าสหมัาเกสีน่นเป็นความทุกข์ที่ถูกต้อง เจ้าจะสามารถหลีกหนีกฎของกรรมคือการใช้หนีกรรมจากการกระทําความชั่วของเจ้าในชาติอดีตได้เพราะมีกําลังใจที่มีความรู้สึกอย่างนี้เหยียงออนสมเด็จไปิืสนสีส่นสัตว์แล้วก็ส่นลอยหายไปนากาศความรู้สึกก็กลับคืนตัวรับคืนมาสู่สภาพเดิม ตอนนี้ความเพียทั้งหมดรู้สึกว่าหายไปนี่แหลท่านหลายเพื่งนเครื่องตื่นใจสำหรับท่านว่าความตายนี่มันจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้จะไปรอเวลาแก่หรือจะไปรอเวลาป่วนไข้ไม่สบายนัก น, นี่ความจริงเวลานั้นอาการมันก็เป็นปกติโยโย่มาเก็หมดแรงไปทันท่าจะตายเฉยๆนี่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านกำลัง ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์นี่นรายการหนึ่งก็เพื่อให้ท่านหลายไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเรากะาตายเมื่อแก่จงอย่าคิดว่าเราจะตายอายุประมาณเท่านั้นเท่านี้จงคิดไว้เสมอว่าโองค์ ส, สเด็จพิะจีนสีสนตรัสว่าฟวามตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่อหมายเราจะตายเมื่อไรก็ได้ สำหรับวันนี้มองดูเวลาเขารู้สึกก็หมดแล้วก็ต้องยุติไว้จักเจริญนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน